แล้วแต่จะเลือกครับพูดทะเละไหลไว้เลยวันหนึ่งท่านไปเห็นเนี่งเขียวหางใหมนะครับซึ่งชาว บ, บ้านนี่ล่ำรือมากกว่ากัดแล้วเนี่ยไม่รอดรสามชั่วโมงนี่ก็ตายนะผมกำลังวาดรูปอยู่ท่านให้เนรมิตกรเรียกร้อมาดูอะไรบางอย่างผมก็ลงมาจากห้างเพราะนั้นเขียนรูปเพดานอย่ ก็ไปที่ท่านยืนอยู่ท่านชี้ดูอูเขียวหางไหมครับท่านบอกนี่มันสวยไม่ใช่น้อยเลยนะท่านยืนใกล้ามากนะ บ, บอกนี่ยมันก็ ด, ดูสิเกรดมันสีทำไมสีมันสวยผมก็ขยับขยับอยู่แต่ก็ดูแต่ประเิณสุนัขที่ตามท่านเหือนนั้นวิ่งกันไปเหยียบอู๋หางไหมนนะฮะอู๋เขียวหางไหมนะ ม, ม, นะมันก็ไม่กัดมันช่างถมเลยสุภาพท้านทีบ่บายนะบอกขึ้นดูมันไม่เคยมัน มันนู้นจไปว่ามันว่ามันน่ากลัวจริงๆมันไม่อยากกัดใครเลยในนี้เป็นสิ่งที่ท่านชี้้เห็นนะครับภาษาต้นๆที่ผมอยู่ที่นั่นท่านเนะบอกว่าให้ตื่นแต่เช้าตรู่ตีสี่นะฮะโดยเฉพาะยิ่งฝนลำๆตื่นแล้วก็ไปที่ริมห้วยไปดูว่าปลาแล ะ, มะแมลงมันอยู่อย่างไรในช่วงที่เราหลับไหลกันอยู่ตลอดเวลาเราถือว่าใกล้ลุ่ง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 ก็ เ, เห็นว่ามีทุ ด, ดงอยู่หมดหนึ่งที่เรนสัตชิกทุดงนะอยู่สว่างไม่ใช่เพื่อทางตาต่อสู้ความง่วงอย่างเดียวครับผมเข้าใจช่วงนั้นเป็นช่วงสะกดวิเวกโลกทั้งโลกกำลังหลบลกๆอบรอบตัวนะท่านเคยเขียนไว้ในบางแห่งว่าพวกมแมลงพวกสัตว์ตื่ น, ต, นตื่นตาตื่นใจผมเคยทดลองปฏิบัติตามนะครับก็จะมีลำดับของเสียงนกร้องคุ๊นเนสัตชิกไม่ใช่เพียงแต่ว่านั่งสู้ความงงไม่ไม่ใช่อันนี้ มายถึงหล่อเลี้ยงความสดชื่นไว้เพื่อรับทราบเพื่อสัมผัสโลกซึ่งเป็นความลี้ลับประดุจ ด, ดวงจันทร์ที่หันอีกด้านหนึ่งมาสู่ดาวโลกซึ่งเราไม่เคยเห็นนะคเพะนั้นเราจะได้ยินเสียงแปลกๆไปทั้งคืนเอส่วนใหญ่พรไดยินคําัตถุดงนี่เราเมตมองเนงี้ยความรู้สึกลบต้องต่อสู้ทางตาทรหดอดทนนะซึ่งมันไม่สามารถถวนาดวงจิตให้ใหใหใหมีสุนทรียภาพได้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 ที่อาจารย์รุโมราณ น, นะครับพูดไว้ก็คือคือนั้นพระเจ้าช่วยตัวเองก็ได้เลยครับเพราะว่าท่านต้องะจนกับมารเพียงอธิษฐานบารมีเนื้อเลือดเกื่อแทงก็ตามทีใช่ไหมครับทุกคนคงจำได้แต่แล้วท่านพึ่งตัวเองไม่ได้ทิดามารทั้งสามปรากฏขึ้นทิดาตนแรกชื่อนางราคาเราเข้าใจสัญลักษณ์ของราคาถูกหมครับนางโทสาคือโทษา ความชิงๆังความเกลียดความขั้งแค้นั่นเองสิ่งอนี้เป็นอุปสรรคต่อพระโพธิญาตต่อการรู้แจ้งแต่เราจะไม่เข้าใจตัวหนึ่งชื่อนางอรดีครับอรดีแปลว่าไม่รักเรางงเลยครับว่าเอ๊ะไม่รักมันจะเป็นช่วยจับสรู้ได้โดยที่เราเข้าใจว่าต้องไม่มีความรักมันจึงจะรู้แจ้งได้ถูกไหมครับต้องมีอารมณ์รักแต่อาจารย์นุชราณเขาได้แสดงมติผมคิดว่าสําคัญอยู่อรดีคืออรตินครับ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 ตัวเมีความรักเช่นรักต่อโพธิยานรักต่อการภาวนาอะไรเนงะี้ยนั้นจะเกิดเป็นดุสสับขึ้นครับที่ดาวมาทั้งสาสัมพันธ์กันอยู่เหตุที่ไม่รักก็เพราะว่ามัวแต่ราคะมัวต่โทสะเพราะนความรักอันนี้เนี่ยไม่ใช่ความรักเฉพาะเจาะ จ, จ, จงเงนหน่างนินใดถ้าเฉพาะเจาะจงกลายเป็นราคะกลายเป็นตัวต้นอย่างเงีนะ้ยซึ่งนีไปพ้นจากโทสะถ้าพิจารณาวิเคราะห์ดูแล้วนีความรักเช่นนี้เนี่ยเป็นการแผ่กระจายไปสู่สรรพสัตว์ เมือ่อพระเจ้ากําหนดที่ดามานทั้งสามได้ที่ดามาันทั้งสามก็จบสิ้นบทบาทแล้วต่อจากนั้นก็เป็นบทบาทของแม่ธรณีครับแม่นั้นการสัต์รู้ของพูะเจ้าเนี่ยผู้ที่มีบทบาทสูงที่สุดคือแม่ธรณีลุกขึ้นบิดมวยผมจําได้ไหมครับนี่ผมทบทวนในเรื่องของอปรัมปราคติแต่ว่าปรัมราคตินั้นมีบทบาทสูงมากในการอธิบายสิ่งที่อยู่เหนือเหตุผล เราอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องแต่งเล่นนะแต่ว่าไม่นะครับโบสถ์ทุกแห่งในประเทศนี้นะถ้าทําตามปฏิบัติตามขนุเพณีการวาดรูปเบื้องหน้าพระประธานนั้นจะต้องเขียนแม่ธรณีบีบมวยผมช่วยพระเจ้าพระเจ้าสังสมบา ร, รมีมามาถึงที่สุดบา ร, รมีเหล่านั้นนะครับประมวลขึ้นมาเป็นพลังลึกลับของธรรมชาติดังนั้นการสัดสดออนุตตรสัมมาอนุปิยานไม่ใช่ลักษณะจีเนียสหรืออัจฉริยะ ยิ่ยงนักธนิตศาสตร์ยิ่ยงศิล ป, ปินผู้ยอดเยี่ยมไม่ใช่นั้นครับอันนี้เราต้องเผื่อนะครับว่าเดี๋ยวเราแค่เข้าใจว่าคนที่ฉลาดมา ก, มากๆรู้เหตุรู้ผลหรือที่เราเรียกกันว่า rationality สามารถคิดอย่างมีเหตุมีผลได้จะเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ธรรมะมากกว่าเข้าใจว่าจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับยังมีเรื่องของพลังลึกลับของธรรมชาติที่ขึ้นมาสมทบกับบุคลิกภาพของพระพุทธเจ้า อันนี้มันทําให้เราเห็นว่าเรื่องการได้รับอนุตตรสมาธิญาณไม่ง่ายไม่ใช่ง่ายเหมือนกับเรียนเลขเรียนหนังสือจนได้ปิญญาเอกปัญญาโทอะไรอย่างนี้ครับมันเป็นเรื่องการสั่งสมบารมีมาซึ่งผมได้พูดตั้งแต่ต้นนะครับว่าความรู้เรื่องบารมีธรรมเนี่ห่างไปถ้าเราลําพังนํำมาเรื่องเหตุผลสามัญมาอธิบายเรื่องนี้นะฮะเราจะอธิบายเรื่องกรณีเพื่องค์งคลีมานไม่ได้เลย พระองคปริมา ن ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเลยนะนึกออกไหมคือไม่ใช่ว่าท่านฟังธรรมแล้วไปซุ่มปฏิบัติอีกสามสี่เดือนแต่พระองคปริมา ن เป็นพระทหารในขณะนั้นในขณะที่ถูกทักจากพระพุทธเจ้าว่าเราหยุดแล้วเธอยังไม่อยู่พระคำพีบอกว่าดวงจิตท่านหลุดพ้นจากอาสวะเลยกนะครับก่อนหน้านั้นท่านมือชุ่มเลือดครับเราจะอธิบายไม่ได้ด้วยเหตุผลเข้าไหม ร, รัเพราะเหตุผลคือพัฒนาการทําอย่างนั้นแล้ว ดัง น, นั้นมีเรื่องลี้ลับอยู่ธรรมชาติภระดายหรือกระบวนทการโบราณบอกว่าบุญไม่พาวาสนาไม่ส่งบารมีไม่เสริมทํายังไงก็ไปไม่ถึงอย่นั้นใครได้ยินไหมครับเดี๋ยวนี้จืดจางแล้วเราไม่ได้ยินแล้วครับแต่บุญพาวาสนาะส่งบารมีเต็มยังไงก็ยังไม่อยู่เห็นไหมครับติทัศน์อันนี้ครับสําคัญครับสำคัญสำคัญที่ว่าในทุกแง่ทุกมุมตรงที่ว่าถ้าเราฆ่าคนอื่น ทำราเบียดบีนเรากำลังลังควานลังแก่บารมีเขาจนรุ่งเล่าไม่ว่าในช้างมา้าวัวควายนะครับสายสัมพันธ์นี้ลุ่มลึกไม่ตื้นเหมือนกับคติที่ว่าเกิดมาแล้วก็จากท้องแม่เดี๋ยก็ตายแล้วก็จบหลังตายไม่มีอะไรว่างเปล่าก่อนชีวิตเริ่มต้นเมื่อเกิดจบสิ้นเมื่อตายความคิดช น, นี้นะว่าหลวมมากครับและไม่สามารถนำมาอธิบายปรากฏการณ์ทางจิตวิ ญ, ญญาณได้กรณีปัจจุบันุกก็เหมือนกัน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 ถ้อยคําจัดที่เต็มปีมไปด้วยความเห็นใจนั้นซึ่งพระเจ้าไม่ค่อยใช้นะครัท่านเรียกว่าน้องสาวดูก่อนพักขนีแนะล้วลงแปลเป็นไทยดูนะคือถ้อยคำอเนี้เข้าวไปกํำซาบเข้มไปในใจครับเพราะว่าปตาญะาลาคิดว่าตัวเองอยู่คนเดียวในโลกแล้วหมดสิ้นที่พึ่งโดดเดี่ยวในท่ามกลางของมนุษย์ซึ่งไม่รู้จักกันเลยทั้นได้ยินคำว่าดูก่อนน้องสาวนะผมเข้าใจตัวเองนะั่นดาวครับเข้าใจว่า คงเรียกสติกลับมาว่าโลกนี้มันไม่โหดร้ายเกินไปล่ะเมื่อมีใครสักคนหนึ่งทำให้ความรู้สึกของเราฟื้นชีวิตขึ้ น, นมาใหม่แต่ก่อนหน้านั้นไม่สามารถรวบรวมมาได้เลยองค์คริมานก็เหมือนกันอย่างกรณีของพระพายะอีกที่จับสลูขณะที่จับข้อเท้าอยู่ในตลาดซึ่งเป็นที่มาของเรื่องการมณิทวาสิกีนะครับแต่ว่าการมณิทเขาบอกว่ากามณิทไม่รู้อะไรนะแต่พระพายะท่านจัสูนะร เป็นพระหัตตรงนั้ำนี่นะครัถ้าเราเอาเรื่อง r a t i o n a l i t เรื่องกระบวนการเหตุผลมาอธิบายอธิบายไม่ได้ครับแต่ถ้าเรามองไปสู่พลังลี้ลับในธรรมชาติที่ทําให้ฟันลงงอกมาทําให้ผมลงงอกทําให้เราบรรลุวุฒิภาวะกั้นดาวอทําให้ดวงจิตเราเจิดจ้าขึ้นสิ่งนี้เรามองไม่เห็นตัวกระบวนการอันนี้ครับสําคัญผมคิดว่าพุทธศาสนาที่ มุ่งไปสู่เรื่องเหตุผลล้วนๆถ่าเดียวจะค่อยๆสูญสูญสิ้นพลังไปทีละน้อยเพราะค่อยๆถูกวิทยาการสมัยใหม่ดูกลืนเข้าไปทุกทีดังนั้นเราต้องเผื่อด้านของผมไม่อยากใช้คำวารีเนะคือกระ บ, บวนการธรรมชาติที่มนุษย์ยังเข้าใจไม่ได้ลองนึกเทียบดูนะฮะการที่มนุษย์เติบโตขนทางด้านวิทยาการโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ มนุษรู้แล้วเท่าไหร่ของความรู้ทั้งหมดนี่เรารู้ไม่ได้ถ้าเรารู้ได้ว่าเราจะเริญกี่มากน้อยเราต้องรู้ตัวเต็มมันก่อนใช่ไหมฮะเช่นทางร้อยไม้เนี่ยถ้าเราเดินไปยี่สิบไม้เราจรึงจะรู้ว่าเดินไปแล้วกี่มากน้อยถูกไหมฮะแต่นี่ตัวเต็มนี่เราไม่รู้ครับเราไม่รู้ว่าความลี้ลับทั้งจักรวาลทั้งหมดเนี่ยคืออะไรเท่าไหร่เราไม่รู้กกร ด, ออรรดั ง, งนั้นเราตอบไม่ได้ว่าวิทยาศาสตร์วิทยาการนี่เราจะริยนแล้วเท่าไหร่เราไม่รู้ครับ จนกว่าเราจะเจอเอาภูมิปัญานอกวิภพมาเทียบเราอา จ, จะรู้อีกทีหนึ่งถ้าเราเจอภูมิปญญานอกวิภพนะแล้วมาสนทนากันแล้วเอ๊ะเราลน่านหลังก็อยู่อย่างไรรวมความว่าห้วงจั ก, กรวาลอันไพศาลนี้นะเต็มไปด้วยความลี้ลับเกินกว่าที่มนุษย์จะเข้าใจได้แต่มนุษย์ก็เข้าใจได้เท่าที่เงื่อนไขของสมองและการเรียนรู้ของมนุษย์จะเข้าใจได้ แต่เราจะเกิดอหังกาว่ามนุษย์เนี่ยรู้อะไรมากแล้วจนกระทั่งว่ามนุษย์ในพังทลายความลี้ลับลงได้แล้วไม่ได้ครับทุกสิ่งลี้ลับอยู่เราพูดได้อย่างไรเราตายได้อย่างไรเรารู้ตัวได้อย่างไรนี่เป็นสิ่งลี้ลับทั้งสิ้นเราได้นะก็ว่าชีวิตทั้งหมดเนี่ยคือความลี้ลับที่เรารู้เนี่ยเราก็รู้ครับแต่เรารู้ด้วยการเทียบเคียงคําว่าลัทนั่นคือคําว่าเลโชนะครับ เราเทียบเคียงการเทียบเคียงนัน้นลักษณะที่เฉยนิ่งไม่ทันกับของพลวัตของทรรชาติเหมือนเราเรียนในเลขคณิต น, นว่าสองบวกสองเป็นสี่ 4. ถ้าผมพูดว่าเมฆสองก้อนรวมกับเมฆสามก้อนเป็นห้าก้อนการคิดนี่ถูกครับแต่บางทีในความเจริงไม่เป็นอย่างนั้นเพราะมีตวัวแปร ล, ลมกระโชกรูปเดียวกลายเป็นศูนไปเลยก็มีเอในธรรมชาติมีพลวัต ที่เปลี่ยนแปลงมีตัวปลาที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วคตินิยมมันหนึ่งคติทัศอันหนึ่งนที่ว่าทมกลางความเป็นปุตุชนคนทุกข์ทุกทรมานด้วยอุปาทานกิเลสตัณหาเนี่ยมนุษย์สามารถพลิกสถานการณ์อีกด้านหนึ่งได้ไหมในการเอาชนะความทุกข์ถ้าความเชื่ออันนี้ความเข้าใจอนนี้ไม่ไม่มากพอนะเราก็จะกลายเป็นยอมรับสภาพทุกข์และกิเลสตัณหาเรื่อย มีการพลิกสถานการณ์ได้หรือไม่ครับตรงนี้เองที่เป็นเรื่องของศาสนาธรรมที่ลุ่มลึกพระพุทธเจ้าก่อนหน้าตรัสรู้นะเป็นปุถุชนครับนันมันน่าแปลกมากครับก่อนการตรัสรู้นะฮะก่อนเที่ยงคืนนีท่านเป็นปุถุชนอย่างอย่างมากเลยเพราะคิดตึงงูกคิดตึงเต้าใช่ไหมครับแต่มาด้วยความสอบสนแต่อธิษฐานบารมีแรงอธิษฐานารนี่สูง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 ที่สุดนะฮะสอนไม่ได้แต่พระกายฐานการพลิกผันเป็นพระพุทธเจ้านี่เอ่อเป็นผู้รู้พระพุทธเจ้าไม่ต้องการการจรัสรู้อีกแล้วถูกไหมครับเพราะว่าท่านถึงที่สุดแล้วพระพุทธเจ้าสอนได้นั้นสองช่วงนี้สําคัญมากนะถ้าคตินิยมของตนตกเขาจะมองว่าเป็นคนเดียวมาตลอดถ้าท่านไปดูปฏะติมากรรมนะศิลปะของกรีกนะั้นเขาจะมองชีวิตของพระพุทธเจ้าเนี่ยตั้งแต่ประสูติเป็นเจ้าชาย ในพระราชวังจนออกบวชเราก็เป็นวีรกรรมแล้วก็ตายที่ต้นโพมีสาวกเหมือนกันเรื่องราวของโน้นิยายหรือมีตัวเอกตัวเดียวตลอดตัวเนี้ยที่แก่เท่าแสดงอัตลัภาพคือมองเป็นคนเดียวตลอดแต่ถ้าคติทางมันออกไม่เป็นอย่างนั้นเลยถือว่าพระพุทธเจ้ากับเจ้าชายแต่คนละคนครับคนหนึ่งจบสิ้นลงอีกสถานการณ์หนึ่งปรากฏขึ้นทุกย่างก้าวของเจ้าชายสิทธิธรร ไม่มีไม่รู้ความจริงของชีวิตแต่ทุกย่างก้าวของพุทธคือการแจ่มแจ้งในความจริงของชีวิต <c oughs> ไม่เหมือนกันเลยนะครับดังนั้นเองเมื่อลุ่งเช้าขึ้นมานะครับก้าวย่างที่ทรงเสด็จจงกลมครั้งแรกเนะี่ยเป็นก้าวย่างของพุทธที่พุทธกยานะครับที่ตัดสินว่าจะทำเป็นดอกโบบาลนนะกี่กี่ก้าวเนี่ยผมไม่แน่ใจพระเจ้าอโศกรับสั่งนะครับเพราะนี่คือก้าวย่างของพุทธปรากฏขึ้นในโลกแล้วครับ จริงเก้าย่างเจ็ดเก้าในดอกโบบานนะไม่ได้หมายเจ็ดแคว้นนะตีความพลาดเคลื่อนไปเองนะที่จริงมันหมายพชุชงเจตเม 7, ื่อพุทธะปรากฏพชุชงปรากฏทั้งหมด น, นี่ครับอมทะเลอะไรนอกเรื่องเนละ <c oughs> ทีนี้คิดว่าไปช่วงท้ายแล้วนะครับที่จะเล่าเกร็ดเล็กเกล็ดน้อยให้ท่านสนใจฟังนะครับว่าต่อพินัยกรรมที่ท่านอาจารย์ วางไว้นะฮะต่อปถิและอังคารคือกระดูกผูตระสาวเบ้ากระดูกและขี้เท่ามีการตีความกันมากครับซึ่งในการเผยแพร่การตีความนั้นแนวทางหนึ่งซึ่งออกมาจากคุณครูธรรมธาตุผานิช์น้องชายของท่านนะครับที่ว่าการให้โปรยกระดูกที่ต้นน้ำตาปีเขาสกช่องอ่างทองอแล้วก็ เขาประสงค์ว่าเป็นสัญลักษณ์ของพุทธศาสนาทั้งมหายาณเทระวาอผมเองต้องขอแสดงความไม่เห็นด้วยนะคในที่นี้ <c oughs> ผมคิดว่าตามที่ผมรู้จักท่าน <c oughs> นี่ต้องมองจากฐานของสุนทชื่ภาพและความรักในธรรมชาตนะาิสำหรับที่เขาประสงค์นั้นไม่น่าสงสัยครับเพราะกระดูก บ, บัพชนท่านอยู่ที่นั่น ที่รู้กันว่าท่านรับท่านสั่งมาตั้งนานแล้วว่าให้กระดูกท่านไปนสุกไนในซอกขาขึ้นกระดูกมารดาท่านอยู่ที่นั่นแล้วบนเขาพุตทองนั้นนะครับจะมีช่องที่เรียวหน้าต่างท่านอา จ, จารย์มีระว่างที่มาก็นั่งมองผ่านไปสู่เขาเขาประสงค์ค่าๆเป็นที่ระลึกถึงมารดาของท่านท่านเคยเล่า ว, ว่าเมื่อนั่งรถไฟก็กว่าจะลับสายตาจากยอดเขานั้นก็นานมากได้ดูกระดูกของมารดาไปเช่ไ ส่วนที่ให้ไปโรยกระดูกฐานเท่าลงที่เขาศกผมคิดว่าการความรู้สึกเยี่อเมทีที่ทุกสิ่งอย่างคืนสู่กระแสธรรมชาติกระแสธรรมชาติมากกว่าที่เล่าเรื่องพุทธศาสนาแล้วเรื่องพุทธศาสนาในแง่โบรางอดีตมันยังคุ้มครืวอีกด้วยครับมันไม่ไม่อาจสรุปได้บั้นปลายของชีวิตท่านนะคับบันปลายขงชีวิตท่านที่ผมยังทันอยู่นั่นหมายถึงว่าผมออกจากสมโองมาหลายปีด้วยนะคร ท่านเคยเรียกผมไปพบแล้วก็ยื่นกล่องกระดาษขนมปังคือท่านมีคนถวายขนมปังให้ท่านเล็กกล่องมันเขียนเป็นรูปนักปราชญ์จีนนั่งอยู่บนเกาะที่มีเก่งจีนสลางท่านบอกว่าเอาผมคิดว่าเมื่อแก่เท่าแล้วผมอยากไปอยู่ในที่เชนนี้คือ ท, ท่านคิดย้อนเมทีครับเมทีจีนข้อนี้หมายว่าห่างจากคุ้มเรียนเก่าสนวนโมกเก่าไปทางริมทะเลแหลมโพนะคะ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 ในการทั้งนี้เพราะว่าที่สวนโมกในช่วงนั้นนั้นเริ่มกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นทีละนี้ะซึ่งท่านรู้ตัวดีท่านรู้ดีว่าสวนโมกกําลังจะสูญเสียสาระที่ิเริ่มมาจากต้นที่ให้ป่าความสงัดความวิเวกเป็นสิ่งที่ขัดเกลาดวงจิตของมนุษย์มุที่เรารู้ว่าเมื่อเราเข้าใกล้ธรรมชาตินะครธรรมชาติจะเริ่มขัดเกลาให้เราอ่อนโยนมีความรู้สึกที่นิ่มนวลขึ้น ดนัธรรมชาติเป็นมีความหมายลุ่มลึกในทัศนะของท่านเนตอนนี้ผมคงจะไม่มีอะไรที่ที่จะนำเสนออีกแล้วนะครับนอกจากเล็กเล็กน้อยเกินไปที่จริงไม่พูดก็ไม่มีประโยชน์อะไรรอบๆกุฏ่ท่านเนี่ยจะ ปูกสายหยุดจำปีนางแย้งผมคิดว่านี่เป็นนางลงสุนทรีหนึ่งของท่านท่านชอบที่จะเลี้ยงสัตว์ไม่ใช่ในความหมายของเป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อประดับบารมีครับแต่เพื่อศึกษาวิถีชีวิตของสัตว์ครั้งหนึ่งนะท่านให้เนนไปตามผมมาแล้วก็ชี้ให้ดูแม่ไก่กับลังจิกลูกครับจิกแรงๆลูกมันร้องลั่นเลยนะฮะ ท, ท่านถามผมาว่าคุณรู้เปล่ามันจิกทำไม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 ปลกลเราไ อ, อ, อความรู้สึกภายในให้เราพึ่งตัวเองให้ได้ให้เร็วด้วยจึงจะอยู่รอดกอดไปยพราะคว่าสิ่งนี้สำคัญนะครับอีกตั้งอันนึงครับ <c oughs> งานประติมากรรมชิ้นสำคัญของท่านอาจารย์คือลานหินโคศิลปวิกรรมธรรมชาติทาบ น, นิสสำคัญคือหนึ่งเดินทางนั้นเขาเขายอมรับว่านี่เป็นงาน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 ท่านก็มาตีกรอบให้แต่ว่าในตองกลางนั้นก็คือคล้ายๆจะแนะนำวิธีทำงานให้ดำรงจิตใจอย่างไร <Yeah. S 1> ถ้าเราเคยได้ยินบทกวีจีนนะอย่างเรามีโครงสี่สุภาพของเราบทประพันธ์มีที่เป็นหลักก็คือกรอนครับหรือฉันซึ่งเราได้ยืมมาจากอินเดียมีสัมผัสนอกมีขลุระหูนะคร แต่ว่าถ้าเป็นโครงสี่สุภาพก็ดีโครงด้านบารคุณชรก็ดีเราได้รับอิทธิพลจากจีนครับช่วยนึกถึงภาพรยนต์จีนสักเรื่องหนึ่งที่เซียนคนหนึ่งเนี่ยเป็นขอทานแล้วก็ถือกลับแล้วก็ร้องเพลงสี่จังหวะนึก อ, ออกไหมฮะก๊ก็ๆๆๆเลยที่ผมผมทบทวนอย่างนี้เพราะว่าคราวหนึ่งมี การแปลตำราจีนที่สําคัญมากนะครับคิดว่าเคุนเป็งฮัวจะทราบดีครับสังฉายนะครซึ่งท่านอาจารย์แปลว่าสว่างฉายซึ่งท่านแปลยักเอาความหมายว่าสว่างฉายแต่ที่ผมจะเล่าไม่ใช่แบบนี้ครับคือผมมองในแง่ของความชาญฉลาดในเรื่องอักษรศาสตร์ในการแปลงบทกวีสี่คำของจีนเนี่ยมาสู่ไทยให้ได้ความไทยและรักษาเนื้อความธรรมะไว้ได้ แต่ก็ใช้ทุวงจังหวะแบบจีนเป็นอย่างนี้นะครับแตไ่ไม่ต้องตีเคาะจังหวะนะทันใดนั่นแหละสี่คำนะฮะกุมารผู้ชานฉลาดเลิอดล้ำยกงิขึ้นหนึ่งไม่กล่าวสักคำธรรมะแท้จริงอยู่เหนือการกล่าวไม่พูดนั่นแหละคือการแสดงธรรมมัแนแปลได้ไพเราะมาเอาผมเองคนคัดลอกไปที่วัดชนรัฐาล์กนะ็ เขาอยากจะจดม้ลความหมดไปที่นั่นเพราะจริงลุ่มลึกแล้วชวนอะไรชนทบทวนกิเลสนั้นเล่าเปรียบดวลเมฆหมอกขั้นเมื่อวายุพัดผ่านมาพลันจันก้อนวนขาวสายแสง ท, ทั่วทั้งปัตภีอะไรเหล่านี้นะครับซึ่งมีความฉลาดในการถ่ายทอดทั้งชั้นเชิญก ว, วีนิพนธ์ และเนื้อหามาสู่ภาษาของชาติตนของชนชาติตนดูเหมือนวันนี่เป็นปณิธานในนวัตกมยิงม่งท่านที่จะถ่ายทอดสิ่งดีในวัฒนธรรมอื่นนะส่วนใหญ่เรามากักจะคํานึงว่าทําอื่นเป็นประปะกับว่าทําของเราเราไม่คัดเฟ้นอาจารย์นั้นไปแปลคําสอน่์ฮงโปไว้หลังอะ้รด้วยชั้นเชิงของนักแปลผู้ผู้ประสงค์จะถ่ายทอดสิ่งดีๆนําเข้าสิ่งดีๆเข้ามาและเผยแพร่สิ่งดีด สุดท้ายผมคงพูดเรื่องสิ่งค้างใจงท่านอาจารย์นะครับเพราะว่าผม <c oughs> ผมฟังแล้วท่านท่านทำไม่ได้ในช่วงยุ่งท่านสิ่งค้างใจของท่านก็คือวัดที่เบตซึ่งท่านต้องการจะให้พุทธศาสนาแบบที่เบตป ร, รากฏขึ้นในในสวนโมกและทำไม่ได้ครับด้วยเหตุปัจจัยที่ไม่พร้อมเรือลาที่เป็นถังน้าหลังที่สองนะฮะ ท่าประสงค์ที่จะให้เขียนเรื่องนารายสิบปางเพื่อควบคู่กับไอ้ทฤษฎีวิวัฒนาการในโลกของวิทยาการแผนใหม่พราะนารายสิบปางมีอะไรที่พอจะเปรียบเปรียบเทียบกันได้แต่เป็นการมองคนละแง่มุมครับการสุดท้ายก็คือความประสงค์ที่แทนคุณอินเดียนี่มีอยู่อย่างแรงกล้านะแต่ท่านก็จบช่วงสมัยชีวิตของท่านสิกา ผมเราทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพื่อจะอวดอ้างว่าผมเองถ้อยู่ใกล้ชิดสนิทสนมมากมายอย่างนั้นนะครับอย่างแต่ผมรู้สึกว่าสิ่งนี้มุมที่ผมรับฟังนั้นอาจจะไม่มีโอกาสที่ได้มีส่วนร่วมกับผู้อื่นก็ผมฝึกปรืาทางศิลปะทางศิลปะเมื่อรับฟังแล้วก็น่าจะเจออาจารยสู่คนอื่นไม่ได้มีเจตนาที่จะอวดอ้างอะไรเลยนะครับคราวหน้าผมจะพูดตามที่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 ครับยินดีครับน่าเก่านะครับเซนครับเราก็ได้ฟังสุนทรียภาพกออารย์ยังเต็มเตี่ยมนะครับในด้านของสุนทรียภาพนีแต่เป็นคำถามที่ที่จะถามนี่ก็เป็นเกิ่มทัศนะอะไรก็ตามนะก็เลยข้อสองสัย เป็นคำถามก็คงจะเป็นปัญญาที่มีแล้วในการเรียนการสอนที่เกี่ยว ก, กับว่าความงานมีอยู่จริงหรือไม่โดยสภาวะอันศํานอง น, อ น, อ น, อนี้นี่เป็นประเด็นนึงนะครับว่าความศิลปะภาพหรือความงานมนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงในธรรมชาติหรือไม่หรือแต่เป็นเพียงจิตที่เราไปรับรู้ด้วยความรู้สึกที่เป็นตัำหนาก็าดีราคาก็ดีนั้นทิก็ดีหรือโดยฉันทาคดีที่ประกอบกับ ความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อธรรมชาติซึ่งเป็นเรื่องของจิตเองนะครับอันนี้ก็เป็ น, นปัญหาปรัชญาพื้นฐานที่ไปดีแต่ทีที่ว่ามีความคิดต่อว่าผีว่าสมปริยภาพนั้นถ้าไม่มีอยู่จริงเราเองในฐานะที่อาจารย์แล้วก็เราก็ทุกคนเห็นคว า, ามสมปิยภาพในวิสันาะน้นมีอยู่แล้วก็นิกลายเป็นว่าเราหลงในสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงที่เป็นเพียงแบบจิตที่แต่เป็นปัญหาก็ดีละมินันทุกดี แต่ถ้าหาว่าสุนทรีภาพนั้นมีอยู่จริงในธรรมชาติเราก็ต้องอากล่าวได้ว่าสุนทิีภาพนั้นไร้แก่นสารถ้ามันเองอยู่กับธรรมชาติคือสิ่งทั้งปวงนั้นมีมีสุนทรีภาพอยู่จริงโดยเหตุที่สุนทรภาพทั้งปวงอาศัยสิ่งทั้งปวงนั้นโดยที่เหตุที่เราทราบว่าสิ่งทั้งปวงนั้นเองนั่นก็ไร้แก่นสารนะครับหน้าตากดีนหน้าตาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไร้แก่นสารมันก็มีอาจกล่าวได้โดยผิดไปว่า สินธุภาพท่านเช็ดถ้าเช่นนั้นสุนทรภาพนั่นเองก็คือสิ่งที่ไร้แก่นสารไปด้วยนะครับแต่ทีนี้ว่าทั้งสองนี้สุนทรภาพก็ดูเหมือนว่ามันกําลังหลอกล่อเราด้วยความสินิธิทางของตัวมันเองนั่นเองว่าเราเหมือนกับเต็นตะข่ายสีทองที่ท่านอาจารย์มาตะขคร้สีสวยๆที่มันจะคุมความคิดหรือจิตของเราเองหรือเปล่าหรือบางเพียงแต่ว่าเราพูดในใต้ในฐานะของโลกโลกีวิสัยเท่านั้นนะครับถ้าเช่นนั้นในฐานะที่อาจารย์แล้วก็เราก็เห็นความสินธภาพใน